10. ตติยะเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สาม1 น, นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายพระองค์จากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าเะนนั้นลำดับนั้น เทพชั้นดาวดึงจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิ ในวันข้างหน้า 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดี